ทางสายกลางคืออะไรถ้าตาเราเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดถ้าจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมกามตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหามันก็ไม่เกิดถ้าเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเกิดความยึดมั่นในอารมณ์นั่นมันก็กลายเป็นกามาตัญหา ภาวตันหาวิภาวะตันหาความยินดีเป็นกามตันหาความยินร้ายเป็นวิภาวะตันหาความยึดมั่นเป็นภาวะตันหาเมื่อเป็นเช่นนั้นสุขทุกข์ก็เกิดขึ้นสลับกันไปในเมื่อจิตมีสติกำหนดตามรู้อยู่ทุกระยะระยะในเมื่อมันรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมา มันจะบอกว่าอ๋อนี่คือทุกขอริยาสัตว์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และมันจะรู้ต่อไปว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปเมื่อรู้แจ้งเห็นชัดจิตก็เป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางสว่างสวยัยมีปีติมีความสุข มันก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาศีล ส, สมาธิปัญญาก็ถึงพร้อมลงในจุดนั้นก็ถึงพร้อมลงในจุดนั้นมักแปประชุมพร้อมลงในจุดนั้นมันก็เป็นอริยมรรคเพราะฉะนั้นตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกเป็นธรรมชาติที่ควรกำหนดรู้พระองค์ไม่ได้สอนให้ละทุก ตังโขปนิทังทุกขะสมุทโย อ, อริยสัจจังปหาตับพันติดเมพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมุทัยอันเป็นเหตุให้ทุกเกิดเป็นสิ่งที่ควรลักไปละที่เหตุในเมื่อจิตละสมุทัยได้ช่วงช่วงแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งตังโขปนิทังทุกขนิโรธโอริยสัจจังดูก่อนภุทษุทั้งหลายทุกขะนิโรธ เป็นสิ่งที่ควรทําให้แจ้งและจะทําทุกขานิโรธให้แจ้งได้อย่างไรในเมื่อมันถึงขั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วเราไม่ได้ทําหรอกมันเป็นเองของมันจิตมันก็กําหนดรู้ของมันอยู่นั่นในเมื่อจิตกําหนดรู้รู้อยู่เฉยๆมันก็เป็นมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางจิตไม่หวั่นไหวไม่อคติไม่ลําเอียงต่อเหตุการณ์นั้นๆ มันก็เป็นมัชิมาปฏิปทาทางสายกลาง